เพื่อบรุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะนรชนนัน้ น, น, นพึงบรุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยต์ทั้งปวงได้โดยลําดับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอัน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 จากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวิไนนยนี้ผู้นั้นจากระชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ท่านทั้งหลายจงริเริ่ม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 จะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์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 เป็นที่เกิดเป็นดุดบอ่อน้ำคลาอันมีมานานเป็นดุดฝีใหญ่เป็นดุดแผลให ญ, เใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้าไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกทุกเมื่อกายอันเปื่อยเน่า น, านี้รัดรึงด้วยเอ็นใหญ่หกสิบเส้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อพุ่มห่อด้วยเสือ้อ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 กายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นชาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอด ม, ม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเงือมันค้นเลือดไขข้อดีเปลวมันอันปุจฉนผู้เป็นผานย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริง อันหนของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้งเก้าของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากตมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลดย่อมสำรอกออกเหงื่อและหนองฝีซึมออกจากร่างกายอันหนึ่ง อวัยวะเบื้องสูงของร่างกายนี้เป็นพโพรงเต็มไปด้วยมันสมองคนพานถูกอวิชชาหุ่มห่อแล้วย่อสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาตทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกหมาป่ามูนอน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 เป็นผู้ไม่มีอาสะวะจากนิพพานความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแกเ่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางอรดีและนางลาคาเลย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 มีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดที่คนทั่วๆ่วไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนในร่างกายของเธอเช่นกับถุงอันเต็มไปด้วยคูดมีหนังหุ้มหอปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกเนืองนิดภิกษุควรละเว้นสรีละของเธออันมีช่องเก้าช่องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น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 หลุม่านเพลิงลุกโพรงแล้วรึกกว่าชั่วบุรุษฐานที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดการทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษ ช, ชนิดหลายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใดการทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น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 สิ้นสุดแห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุกขตินำโลกมาให้แก่ตนร้วนแต่มีกามเป็นเหตุกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดฆ่าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายกามทั้งหลาย เป็นเหตุให้บ้าให้บนเพอให้จิตมัวเมาเป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศของหมูสัตว์เ็วพลันการมทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกมากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อกเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทาฝ่ายขาวเหือดแห้งไป